เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14ฉันไม่ได้รักใครง่ายๆ yeah you know me แต่เธอไม่เหมือนใครที่ฉันเคยมีภาพฟิล์มน่มันสวยตอนที่มันเบลอ 'Cause I'm gon' stay. I'm g just.